ที่นี่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีระบบ FM s t e r e สต u l t i อมั x ติ์ความถี่ 89.5 MHz เเมกรส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่2 1 4ห1 6ถึงนถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชันวิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็มแเมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขอาสาดำเนินรายการโดยนัฐพลดีอุด ควบคุมรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์กุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร้อนเสียสละ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 Lăng Nam Hà, sương mù. อาศาเราพาภูมิใจพร้อม คุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสาครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกคืนวันศุกร์แบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี fm 89.5 เมิลเฮิร์นะครับวันนี้ยังอยู่กับผมนัธพลดีอุดนะครับกับเรื่องดาว ต่างๆเกี่ยวกับงานอาสากิจกรรมอาสานะครับที่จะนำมาพูดคุยนำมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันที่รายการสุขอาสาที่นี่ f m 8เ5 m ม z นะครับซึ่งในวันนี้ครับคุณผู้ฟังในช่วงแรกคิดอาสานะครับผมมีเรื่องราว ของจิตอาสาสนองนโยบายกองทัพ บ, บกมาฝากคุณผู้ฟังนะครับซึ่งคุณผู้ฟังครับหากเราเอ่ยคําว่าทหารหลายคนคงจะนึกถึงภาพของวีรบุรุษนักรบที่ยืนถือปืนอยู่ตามชายแดนนะครับพร้อมที่จะสู้เพื่อปกป้องประเทศอย่างเมื่อมีภัยนะครับบางครั้งทหารเหล่านี้แทบจะไม่ได้กลับบ้านเกิดเลยด้วยซ้ำนะครับต้องคอยระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาว่าอ่าศัตรูจะมาบุกบ้านทางไหนนะครับแล้วจะปกป้องประเทศให้พ้นภัยได้อย่างไรแต่หากไรซึ่งศึกสงครามหรือการปกป้องประเทศ แล้วทหารเหล่านี้ส่วนใหญ่จะประจําอยู่ที่กรมกองในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนะครับอย่างเช่นที่กองพันทหารราบที่4กองทหารราบที่17ร1 7 4ค่ายขุนจอมทำอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยนะครับคุณผู้ฟังที่เวลาเกิดศึกสงครามจากค่ายนี้ก็จะพร้อมสละชีพเพื่อชาติอยู่เสมอแต่หากไม่มีสงครามก็จะทํางานอยู่ในค่ายจัดโครงการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยล่าสุดนะครับ โครงการให้ผู้ผู้บัญชาการของค่ายทหารเข้าเยี่ยมพลาหารก่อนเข้ารับราชการในแต่ละผัดนอกจากนี้ยังมีการมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับบ้านของทหารใหม่ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือการนํากําลังพลที่ติดตามได้ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อย่างเต็มที่อีกด้วยนะครับด้านพันโทขวัญเอกรัชดาธนวัตรนะครับผู้บัญชาการร 17,004 ข่ายขุนจอมทํากล่าวนะครับว่าโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายจากกองทัพ บ, บกโดยการนําของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นนโยบายของทางค่ายรอสิบซึ่งการลงพื้นที่ตามโครงการทุกครั้งจะมีการมีกําลังพลติดตามไปด้วยไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อจะดูแลชาวบ้านให้อย่างทั่วถึงซึ่งเป็นการปลูกจิตสํานึกให้ เป็นจิตอาสาไปในตัวนะครับจะทําให้ทหารที่ลงพื้นที่ได้รับความคุ้นเคยกับชาวบ้านมากยิ่งขึ้นและตัวชาวบ้านเองจะได้อุ่นใจเมื่อมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาช่วยดูแลไม่ว่าจะเป็นการแจกจ่ายยาสามัญประจําบ้านให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลนยารักษาโรคหรือแม้แต่การตัดผมให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับซึ่งเสียงตอบรับของชาวบ้านที่ได้มานั้นต่างสร้างความสุขให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีนอกจากนี้ทางกองทัพยังมีรถวอสนามนะครับที่มีไว้เตือนภัยสําหรับการทําโรงทานเคลื่อนที่เวลาที่ชาวบ้านประสบ ปัญหาขาดแคลนอาหารยามเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกด้วยนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสารทุกสุขดิบของชาวบ้านในเรื่องต่างๆทหารของทางค่ายขุนจอมทำแห่งนี้พร้อมที่จะช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่อย่างไม่ย่อท้อแ น, น่นอนนะครับด้านนางสาวกอนวิภาหายโศกนะครับอายุ36ปีชาวบ้านบ้านนังมินบู่ที่6ตาําบลแม่ลาวอำเภอเชียงคํากล่าวนะครับว่าภาพที่เห็นทหารมาเยี่ยมบ้าน ก่อนเข้าประจำการหรือแม้กระทั่งมานั่งพูดคุยทำให้ชาวบ้านยิ้มแย้มรวมไปถึงการแจกจ่ายยารักษาโรค ก, การบริการตัดผมให้กับชาวบ้านที่ยากไร้โดยตนเชื่อว่าชาวบ้านทุกคนที่เห็นภาพนี้ต่างได้รู้ซึ้ง ถึงความสุขระหว่างทหารกับประชาชนซึ่งโครงการของกองทัพ บ, บกถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างดีว่าทหารจะคอยเคียงข้างประชาช น, นครับฟังครับและนี่คือเรื่องราวของช่วงแรกกับคิดอาสาที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับกับการส่งกําลังใจช่วยเหลือชาวบ้านปลูกฝังจิตอาสาสนองนโยบายกองทัพ บ, บกศูนย์นวัตกรรมความรู้ rmutt innovation and knowledge center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลธัญบุรี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 เบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ3โมงจนถึงสุขโทร02 549 3043หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th กลับมากับช่วงนี้ครับกับช่วงคนอาสาครับคุณนุฟังวันนี้คนอาสานะครับผมนำเรื่องดาวของคนอาสาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีนะฮะกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกวนเกษตรนะครับ ที่ไปบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องยนต์ทางการเกษตรฟีนณวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบึงสนันตาบลบึงสนันอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดิ์แซมสีม่วงผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเปิดเผยนะครับว่าตามที่ปีการศึกษา2563ทางภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเป็นสาขาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรมนะครับ เพื่อสร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงสําหรับอุตสาหกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นะครับกระไดลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาและทํากิจกรรมจิตอาสาในการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ทางการเกษตรฟรีและบริการวิชาการสาธิตเครื่องฉีดพ่นยากําจัดโรคบนยอดมะพร้าวนะครับและสาธิตเครื่องขุดดินให้แก่เกษตรกรโดยมีอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า20คนนะครับในการลงมือปฏิบัตินําความรู้ด้านเทคนิคการเปลี่ยนถ น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตรมาใช้และได้นำความรู้ด้านการเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ ถ่ายทอดแก่กลุ่มเกษตรกรสวนมะพร้าวนะครับในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสวนมะพร้าวและเพิ่มผนความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเองด้วยนะครับเพื่อพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรบูรณาการกับวิชาการเรียนให้เข้ากับสภาพชุมชนและวิถีชีวิตนะครับฝึกการทํางานเป็นทีมและการมีจิตอาสาเสียสละนะครับและที่สําคัญในการลงพื้นที่ในครั นี้นะครับนักศึกษาได้เรียนรู้จริงเกิดความคิดนำไปต่อยอดในการคิดโปรเจกต์หรือโครงการต่อ โครงการต่างๆและนํากลับมาช่วยเหลือชุมชนต่อไปนะครับด้านในเนื่องเจริญจันทร์ครับประธานนาแปลงใหญ่ชุมชนบึงสนันเล่านะครับว่าทางกลุ่มเกษตรกรเองมีประมาณ34มครัวเรือนพื้นที่1136งพั้ยไร่ยึดอาชีพทํานาและสวนมะาพร้าวเป็นอาชีพเสริมนะครับดยปัจจุบันทางกลุ่มได้โรณรงพยายามให้ข้าวของกลุ่มเนี่ยเป็นข้าวปลอดสารพิษนะครับโดยเมื่อปี2 5ง1ที่ผ่านมาทางกลุ่มก็ได้รับการวิเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุขเองได้รับเป็นข้าวปลอดสารพิษในการมา ทำกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับนักศึกษาได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรและดีใจนะครับที่คนรุ่นใหม่เห็นถึงความสําคัญของเกษตรกรนําความรู้ที่เรียนมาพัฒนากับนวัตกรรมทางการเกษตรอย่างเช่นเครื่องฉีดพ่นยากําจัดโรคบนยอดมะพร้าวที่นักศึกษาได้นํามาสาธิตในครั้งนี้ด้วยนะครับตลอดจนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีเป็นการบริการที่ดีมากนะครับ ทางคุณเนื่องเองได้ฝากถึงอาจารย์และนักศึกษาอยากให้พัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ๆที่นํามาช่วยและทุนแรงของเกษตรกรให้ให้กับกลุ่มต่อไปด้วยนะครับด้านนายชุดติชัยพดุงบุตรนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรประธานสโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเล่านะครับว่าทางภาควิชาเองก็ได้จากกิจกรรมเพื่อสังคมทุกปีสําหรับโครงการในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ ตรงที่ดีมากนะครับที่ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงนําความรู้มาใช้จริงและเกิดประโยชน์ตลอดจนการทํางานเป็นทีมโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า30คนแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับทุกคนต้องช่วยกันทํางานดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับได้มาแลกเปลี่ยนกับคุณลุงที่มาใช้บริการและได้ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับเช่นเดียวกับน้องพีครับนายวิสรุตจิต ธนาการนนนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกนเกษตรได้ได้เล่านะครับว่าได้นําความรู้ที่เรียนมาในวันนี้ในการเปลี่ยนไหายน้ํามันเครื่องไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่ซับซ้อนนะครับเนื่องจากการสอบถามเกษตรกรส่วนใหญ่จะซื้อน้ํามันมาเปลี่ยนเองนะฮะวันนี้ได้มาช่วยและได้มีโอกาสพูดคุยกับเกษตรกรซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนและต้องมาเจอขณะที่ลงมือปฏิบัตินะครับสำหรับกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ทางภาควิชาได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้รู้จักศียสระนะครับ ได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะครรวมถึงนําความรู้ที่มีเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนมาช่วยเหลือชุมชนด้วยนะครับถือเป็นเรื่องราวดีๆที่ทางมรทรธัญบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะฮะให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ชุมชนนะครับนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สังคมในการช่วยเหลือนะฮะสร้างกิจกรรมอาสาดีๆให้กับชุมชนให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถือเป็นเรื่องราวที่น่ายกย่องอีกหนึ่งเรื่องราวในวันนี้คร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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใกล้กรุงเปิดบริการตั้งแต่8โมงเชา้าถึงบ3โมงจันทร์ถึงสุขโทรศู5 4์3 0 4 3หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th ล m u t t Farm Shop ยฟร์มชอยินดีต้อนรับค่ะ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 บุรีจังหวัดปทุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้ จ, จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653กลับมากับช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับคุณผู้ฟังกับช่วงของภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้ภารกิจจิตอาสาเองนําเรื่องราวของเรือนเสมือนญาตินะครับที่วัดอมรินนะครับในการรองรับผู้ป่วย ยากไร้ของศิริราชนะครับผู้ฟังครับต้องบอกว่าโรงพยาบาลศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล น, นะครับเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคาเนนะครับซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยนอกต่อวันถึงประมาณ 8,000-10,000 คนเลยทีเดียวนะครับพอผู้ป่วยลายยาติ ผู้ยากไร้ส่วนหนึ่งที่มีนัดต้องพบแพทย์เป็นเรื่องของการทําการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่มีปัญหาการเดินทางไปกลับโรงพยาบาลนะครับขาดทั้งปัจจัยและที่พักอาศัยจึงได้จัดตั้งโครงการเลือนเสมือนญาติขึ้นร่วมกับวัดอมรินทารามนะครับด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลนะครับคณะแพทยาศาสตร์ศาิริราชพยาบาลมหาวิาทยาลัยมหิดลกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการเรือนเสมือนญาติว่าเป็นการช่วยลดความกังวลใจเรื่องของที่พักของผู้ป่วยและญาติเมื่อเข้ารับการรักษา โรงพยาบาลศิร掰掰ิราชนะครับโดยเป็นการจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ป่วยระยะที่มีปัญหาการเดินทางไปกับโรงพยาบาลนะครับกรณีที่มีนัดต่อเนื่องในวันเวลาใกล้เคียงกันรวมทั้งในรายที่มีปัญหาเรื่องของเศรษฐฐานะนะครับโดยคุณส่งศรีเมืองทองหัวหน้างานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลศิริราชกล่าวเสริมนะครับว่าผู้ป่วยระยะที่จะขอเข้าพักทุกรายจะต้องได้รับการประเมินจากนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลศิริราชจึงจะสามารถเข้าพักได้นะครับโดยแสดงความประสงค์จะขอเข้าพักเพ ส่งประวัติเพื่อมาพิจารณาความเหมาะสมณนะตึกผู้ป่วยนอกชั้น1นึ่งห้องหนึโรงพยาบาลศิริราชนะครับจากนั้นจะนําเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปมอบให้กับวัดนะครับหรือเรือนเสมือนญาติเพื่อดําเนินการต่อไปนะครับด้านพระครูสมุหะพักดียัตตินุทารนะครับผู้เป็นสิทธิ์เก่ารุ่นแรกของวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล น, นะครับเป็นผู้รับอาสาดูแลดําเนินโครงการดังกล่าวเปิดเผยนะครับว่าโครงการนี้เริ่มรับผู้ป่วยและญาติเข้ามาพักในเดือนตุลาคม2 5 5พ โดยปรับปรุงต่อเติมบริเวณพื้นที่ด้านข้างกุฏิและปรับพื้นที่บริเวณชั้นล่างของกุฏิของพระท่านเองนะครับเป็นที่ดําเนินการโครงการนะครับโดยพระครูสมุหะพักดีนะฮะได้กล่าวต่อนะครับว่าพุทธศาสนาเทรวาสสอนนะครับว่าวาระ จ, จิตสุดท้ายที่ดับไปเป็นวาระ จ, จิตที่สําคัญที่สุดถ้าจิตสุดท้ายสงบจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีในฐานะบัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล น, นะฮะ ทางพระท่านเองจึงเชื่อว่าการดูแลจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจะช่วยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบนะครับโดยที่ผ่านมาทางพระท่านเองได้มีโอกาสเข้าไปเยื่มเยียน ตามเตียงผู้ป่วยและญาติที่ร้องขอมานะครับโดยได้นาพระพุทธศาสนาเข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วยด้วยการใช้ศิลปะในการพูดคุยด้วยความจริงใจเมตตาการุณาพร้อมกับแนะนําให้ญาติปรับบรรยากาศให้ในห้องพักให้มีความสงบเย็นเปิดเพลงบรรเลงบทสวดมนต์ต่างๆเบาๆครอไปนะฮะตลอดเวลานอกจากนั้นได้แนะนําให้ญาติหารูปป่าพระพุทธรูปมาแขวนไว้ในระดับสายตาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดืมตาขึ้นมามองเห็นที่สําคัญคือจะต้องพูดคุยด้วยความระมัดระวังโดยสังเกต ทางผู้ป่วยและญาติว่ามีความรู้สึกรับรู้ได้หรือไม่นะฮะพอดีกับทางที่ศิริราชนะครับมีเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วจึงเข้ากันได้พอดีโดยระหว่างที่ทําการรักษาญาติจะแจ้งทางวอร์ดขอให้นิมนต์พระสงฆ์นะฮะโดยเมื่อพระมา ก, ก็จะไปมีการอ่ะบทสวดมนต์ให้ผู้ป่วยฟังมีการสวด บ, บทพทธคุณต่างๆให้ฟังนะครับโดยในกรณีที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยยังมีสติรับรู้ตอบโต้ได้ก็จะสนทนาธรรมให้กําลังใจผู้ป่วยเพิ่มไปด้วยนะครับในกรณีที่เป็นผู้ ป่วระยะสุดท้ายที่กําลังหรือใกล้จะจากไปจะสวดบทพุทธมนต์ซ้ําไปซ้ํามาเพื่อเป็นการช่วยย้าให้จิตของผู้ป่วยจับเสียงนั้นได้ง่ายจะได้จากไปอย่างสงบพร้อมกับเสียงบทสวดมนต์นะครับหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตนะฮะทางพระเองจะให้ญาติมากราบศพและพูดคุยธรรมะเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายให้ฟังเพื่อให้ญาติยอมรับการจากไปได้และเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะครับส่งผลให้ญาติและผู้ป่วยแม้จะเสียใจต่อการจากไปของผู้ป่วยแต่ก็จะทําให้ยอมรับได้ กว่าเดิมนะครับทั้งยังมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือคํากล่าวของพระครูสาหมอภักดียตินุทาโรนะครับโดยในช่วงแรกนะครับเดือนเสมือนญาตินี้สามารถรับผู้ป่วยและญาติได้ในวันละไม่เกิน17คนโดยที่ผ่านมานับจากเดือนตุลาคม2559ถึงเดือนกันยายน2562มีผู้เข้าพักรวมทั้งสิ้น206รายแต่เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและญาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับประกอบกับสถานที่ขับแคบไม่สะดวกโดยในเดือนตุลาคม2562 เรือนเสมือนญาติถึงได้ปิดปรับปรุงเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยา ตลาดทุนรุ่นที่28นะครับซึ่งมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงให้สามารถรับผู้ป่วยได้มากขึ้นประมาณ30คนต่อวันพร้อมบริจาคสิ่งของอำนวยสะดวกอย่างเช่นเตียงนอนพัดลมคมไฟเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะฮะทั้งนี้เองนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนนะฮะ ร, รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาท่านไหนอยากร่วมบริจาค ก, กับเรือนเสมือนญาตินี้ได้กับโรงพยาบาลศริราชก็สามารถติดต่อเพื่อขอร่วมบริจาคได้ที่ศรีราชมูลนิธินะครับนี่คือเรื่องราวของการชวนไปร่วมบริจาค กับเปลือนเสมือนญาติที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับผู้ที่มีจิตศรัท ธ, ธาก็สามารถไปร่วมบริจาคได้นะครับที่ศิริราชมู ล, ลนิธิโรงพยาบาลศิริราชนะครั บ, บฟังครับและนี่คือเรื่องราวนะฮะในช่วงของภารกิจกจิตอาสานะครับและเราก็ถึงตอนท้ายของรายการแบบนี้กับรายการสุขอาสาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการสุขอาสาแล้วครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับทุกวันศุกร์แบบนี้ทางวิทยุราชมงคลทั ญ, ญบุรี FM 8 9 5สิบมิลนะครับ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 ผูก พ, พันด้วยสามัคคีรวมกายใจเมตตาช่วยเหลือน้องพี่ความประณีล้วนมีไม่เคยเจือจางเพราะเราเกิดมา ก, ก่อความดีทุกคนคอยเตือนตนฝึกใจไม่เดินลงทางบันเทาภัยใกล้ๆอดทนทุกอย่างเดินตามทาง มองคนสู่จนสุดแรงทำความดีกันด้วยหัวใจเราคนไทยรวมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกรงจิตอาสาพระราชทานเสียสละประโยชน์ส่วนตนทุกคนดังบรรพชนสร้างไทยให้เราสำรา คือแรงใจก้าวเดินต่อไปแสนนานเอาแรงงานทดแทนบุญคุณแผ่นดิน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 าาทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทานทุกคนแกรงจิตอาสาพระราชทาน